เจ้าหญิงที่ไร้น้ำหนักเ น, นิ่นนานมาแล้วยังมีราชาและราชินีที่ปรารถนาจะมีบุตรอยู่คู่หนึ่งอาศัยอยู่หลังจากผ่านไปหลายปีพวกเขาก็ได้ให้กำเนิดเจ้าหญิงตัวน้อยที่งดงามเกินกว่าผู้ใดเคยพบเห็นทั่วทั้งอาณาจักร ต่างเปลื้มปริติและราชาเองได้ส่งคําเชิญเพื่อนคนสำคัญของเขาและก็ครอบครัวและก็พ่อมดและนักบวชเพื่อมาทำพิธีตั้งชื่อให้กับเจ้าหญิงแต่ราชาลืมชวนบุคคลหนึ่งซึ่งก็คือแม่มดที่ทรงพลังและชั่วร้ายที่สุดเมื่อแม่มดได้ยินข่าวเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองนางตัดสินใจเข้ามาร่วมงานในพิธี ราชาไม่ประหลาดใจเท่าไหร่เมื่อพบเธอเพราะเขาลืมไปว่าเขาไม่ได้ส่งคำชวนแต่นางยินที่ต้อนรับได้โปรดมอบพรที่ดีแก่ลูกสาวข้าด้วยนะโอ้แน่นอนเพกข้าฝ่าบาทแล้วนางฟ้าตัวน้อยอยู่ที่ไหนหละตอนนี้แม่ของนางกำลังจะพานางมา ถึงแม้ราชาจะทำตัวปกติไร้พิษภัยแต่เหมือนว่าเขาจะลืมเ่าไปจริงๆแต่สิ่งนี้ทำให้แม่มดยิ่งโกรธมากขึ้นนางสาบานว่าจะต้องแก้แค้นให้ได้ดังนั้นเมื่อพิธีตั้งชื่อเริ่มขึ้นแม่มดได้แอบผสมพงเวทมนต์ลงไปในน้ำที่ใช้พรมให้เจ้าหญิงไม่นานเมื่อมาสัมผัสกับทารกน้อยทารกน้อย ให้ศูญเสียน้ำหนักตัวไปพยาบาลที่อุ้มเธอไม่รู้สึกเลยว่าอุ้มเธออยู่น้ำหนักตัวของเจ้าหญิงกลายเป็นศูนย์ไปแล้วคณพระนี่มันอะไรกันน่ะเกิดอะไรขึ้นพยาบาลปล่อยทารกได้ความตกใจแต่เจ้าหญิงกลับไม่ตกลงพื้นเธอยังลอยอยู่บนอากาศ <c oughs> ที่เดาของข้อ นี่มันเกิด อ, อะไรขึ้นมันเป็นไปได้อย่างเดียวเท่านั้นเจ้าหญิงถูกกำสาวของแม่มดพวกเขาอุ้มเด็กน้อยแต่มันก็ดูเหมือนไม่มีอะไรเลยเพราะเธอไม่มีน้ำหนักสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นกับเจ้าหญิงทําให้ราชาและราชินีกังวลใจเป็นอย่างมากวันหนึ่งขณะที่เจ้าหญิงนอนอยู่ที่เตียงราชินีได้เปิดหน้าต่างทิ้งไว้โดยที่ไม่รู้ตัวสายลมที่มีขนนก แล้วฝุ่นทรายได้พัดเข้ามาในห้องมันพัดนําเจ้าหญิงออกไปทางหน้าต่างเมื่อพยาบาลเข้ามาก็ไม่พบเจ้าหญิงอยู่ที่เตียงแล้วเจ้าหญิงหายไปไหนนะประชินีของอุ้มเธอออกไปแล้วมั้งเจ้าหญิงหายไปไหนพยาบาลเขาต้องการพบลูกสาวที่งดงามของเขา ประธานอภัยให้ข้าด้วยฝ่าบาทแต่ข้านึกว่าเจ้าหญิงอยู่กับท่านเพคะเหลวไหลแล้วนางหายไปไหนกันล่ะทั่วทั้งวังทำการออกค้นหาอย่างวุ่นวายคนสวนที่กำลังกวาดใบไม้จากสวนได้ยินเสียงหัวเราะจากกองใบไม้เสียงอะไรเนี่ยโอพระเจ้า เจ้าหญิงนี่เองลูกสาวของข้าอยู่ที่ไหนนะฟาบาสคนสวนพบนางที่ใต้กอไมไม้นะ่ขอรับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาราชาและราชินีกลัวอย่างมากพวกเขาถ้าคอยจับตาดูเจ้าหญิงอยู่ตลอดเวลาในตอนที่นางกำลังนอนต้องมีพ้ะห่มผืนใหญ่ห่มตัวเธออย่างแน่นหนาเพื่อทำให้เธอขยับตัวไม่ได้ เมื่อตอนนางตื่นก็จะต้องมีคนคอยอุ้มนางไว้เสมอเมื่อราชาพยายามที่จะเล่นกับเธอด้วยการโยนขึ้นอากาศอย่างที่พ่อคนหนึ่งจะทํากับลูกแต่เจ้าหญิงก็ไม่ตกลงมาและต้องใช้บันไดปีนขึ้นไปรับเธอเมื่อเจ้าหญิงโตขึ้นเธอไม่สามารถเดินบนพื้นได้เลยเพราะเมื่อเท้าเธอสัมผัสกับพื้นเมื่อไหร่มันก็จะเด้งขึ้นไปบนอากาศและต้องมีคนใช้กว่า ยีสิบคนคอยจับที่ชุดของเธอเอาไว้เพื่อที่เธอจะได้ไม่ลอยขึ้นไปเมื่อไร้น้ำหนักหัวใจของเจ้าหญิงก็ไร้น้ำหนักเช่นกันดังนั้นเธอจึงไร้ซึ่งความรู้สึกเศร้าใดๆเลยทั้งหมดที่เธอทำก็แค่พูดคุยไม่ก็หัวเราะเมื่อพวกเราไม่มีความเศร้าใจเราก็ไม่เข้าใจความเศร้าของคนอื่น และเมื่อไม่เข้าใจความเศร้าของคนอื่นเราก็ไร้ซึ่งเมตตานั่นหมายถึงเราไม่เข้าใจความหมายของคําว่ารักได้ <c oughs> ดังนั้นจ้าหญิง <c oughs> จึงหยาบคายและร้ายกาจมากลูกรักพวกเราเป็นห่วงลูกนะพอดูตลกจังเลยนะคะเวลาพูดแบบนี้ <c oughs> ลูกรักลูกไม่สนใจเราเลยเหรอลูกเคยรักพวกเราบ้างไม่เนี่ยฮะแม่หมายถึงอะไร ความเสียใจกับความรักอย่างนั้นเหรอหนูสบายดีที่ได้บินไปรอบๆนะดูหน้าบา้บาๆบอๆที่พ่อแม่ทำสิตลกชะมัดเลยนะ <c oughs> ถ้าไม่ว่าอะไรหนูขอตัวก่อนนะคะแต่ก็มีสิ่งที่ทําให้เจ้าหญิงเศร้าแม้ว่าการที่ไร้น้ำหนักจะทําให้เธอไม่รู้สึกตัวเธอเกลียดการที่ต้องรอคอยอยู่เสมอปล่อยให้ข้าอยู่คนเดียวได้ไหมเราขอโทษด้วยฟาบาต แต่พวกเราต้องทำตามคำสั่งราชาที่ต้องคอยดูแลท่านอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้ลมพัดท่านหายไปได้โปรดเถอะข้ารู้สึกยังกับตัวเองเป็นสัตว์ที่ถูกผูกเอาไว้ออกไปให้พ้นซะไปเราต้องขอโทษ ด, ด้วยฝ่าบาทแต่ว่าราชาและราชินีนะเป็นห่วงท่านมากเลยกลัวว่าท่านจะถูกลมพัดไปและได้รับอันตรายเจ้าหญิงรู้สึกว่าตัวเอง เรากับนักโทษเธอไม่เคยถูกปล่อยให้อยู่คนเดียวสถานที่เดียวที่ทำให้เธอรู้สึกมีชีวิตและเป็นอิสระคือทะเลสาบใกล้ๆกับพระราชวังเจ้าหญิงจะมาว่ายน้ำทุกๆวันมันเป็นที่เดียวที่ไม่มีอันตรายใดเพราะลมไม่สามารถพัดเธอไปได้และเมื่อเธอก้าวเท้าลงไปก็ได้เด้งขึ้นบนอากาศ ดังนั้นในน้ําของทะเลสาบแห่งนี้จึงเป็นสถานที่ที่ทำให้เธอรู้สึกปลอดภัยและได้อยู่คนเดียวดังที่เจ้าหญิงคิดถ้าสามารถเป็นอิสระได้ในทะเลสาบเธอจึงมาว่ายน้ําทั้งในกลางวันและกลางคืนในขณะที่ราชาและราชินีได้ปรึกษาแพทย์หมออภิปัชญาและพ่อมดทั้งหมดในอาณาจากักรแต่ก็ไม่มีใครสามารถรักษาอาการของลูกสาวเขาได้เลย จนกระทั่งวันหนึ่งนักวิชาการของพวกเขาฮัมดรัมและโคปิเคกได้เข้ามาพบราชาโ่อบอสเราอาจช่วยรักษาเจ้าหญิงจากการไรา้แรงโน้มถ่วงและไร้น้ำหนัก<ม>ได้นะขอรับงั้นก็บอกข้ามาเร็วอย่างที่เรารู้ดีว่าน้ำช่วยรักษาเจ้าหญิงจากการไร้น้ำหนักของเธอได้อย่างน้อยก็ชั่วคราตราบใดที่เธออยู่ในน้ำเรารู้เรื่องนั้นแล้วแล้วยังไง ท่านลาม้มที่อยู่นอกกายของเจ้าหญิงสามารถรักษาเธอและทาให้เธอมีความสุขชั่วคราวดังนั้นน้ำที่ไหลออกมาจากหัวใจเธออาจรักษาเธอได้ถาวร น, นะพะยะค่ะ ข, ข้าไม่เข้าใจนะฟาบาดเราต้องทำให้เจ้าหญิงร้องไห้ออกมาให้ได้บางทีมันอาจจะรักษาอาการไร้น้ำหนักของเธอเช่นนั้นราชาจึงประกาศไปทั่วอาณาจักรว่า หากมีใครทําให้เจ้าหญิงร้องไห้ได้เขาผู้นั้นจะได้รางวัลมีชายและหญิงหลายคนพยายามอย่างมากแต่ก็ไม่มีใครทําให้เจ้าหญิงร้องไห้ได้เลยฮ่นั่นตลกชะมัดเลยนะทุกๆคนต่างสูญเสียความหวังที่จะทําให้เจ้าหญิงกลับมาดีอีกครั้งได้อยู่มาวันหนึ่ง มีเจ้าชายคนหนึ่งเดินผ่านป่าและมาถึงอาณาจักรแห่งนี้เขาได้ยินเกี่ยวกับเจ้าหญิงที่โดนคำสาปของแม่มดแต่เขาก็ไม่ได้สนใจที่จะไปพบเธอดังนั้นเมื่อถึงตอนกลางคืนแทนที่เขาจะหาที่พักในฐานะแขกของพระราชวังเขาตัดสินใจพักที่ถ้าในป่าและใช้เวลาทั้งคืนในนั้นเมื่อเขาออกมาที่ป่าเพื่อหาฟืนไปก่อไฟเขาพบใครบางคนกาลัง พุบพุบโผกอยู่ในทะเลสาบและคิดว่าเขากําลังจะจมน้ําดังนั้นเจ้าชายจึงรีบลงไปในน้ําเพื่อช่วยเขาแน่นอนนั่นคือเจ้าหญิงและเมื่อเขาอุ้มเธอเขารู้สึกได้ว่าเธอไร้น้ําหนักเขารู้ในทันทีว่าเธอคือเจ้าหญิงที่ต้องคํำสาบของแม่มดเขาไม่เคยต้องการที่จะพบเธอแต่ตอนนี้มันสายไปเขาจ้องไปที่เธอและตกลุมรักเธออย่างจัง กล้เดียังไงเอาข้าออกมาจากทะเลสาบแบบนั้นนะขอคิดว่ า, เ, าเจ้ากำลังจะจมน้ําเลวแหละจริงๆเอาข้ากลับไปเดี๋ยวนี้เลยนะเจ้าคือเจ้าหญิงที่ไม่มีแรงโน้มถ่วงใช่ไหมเจ้าเคยตกลงมาบ้างไหมอ่ะข้าตกไม่ได้หรอกนะมีแต่บินได้จากสายลมเท่านั้นแหละแล้วทําไมเจ้าไม่ลองตกหลุมรักข้าดูละ่ะพูดจบเจ้าชายก็ดําลงไปในน้ําพร้อมกับเจ้าหญิงในอ้อมแขนของเขามันเป็น ประสบการณ์ที่ตื่นเต้นที่สุดที่เจ้าหญิงเคยพบเจอเป็นยังไงบ้างล่ะวิเศษที่สุดเลยที่ข้าเคยมีมันเลยล่ะดังนั้นในทุกๆคืนเจ้าชายและเจ้าหญิงจะมาพบกันที่ทะเลสาบและว่ายน้ำด้วยกัน mm. เจ้าหญิงไม่มีความรู้สึกรักได้แต่เจ้าชายรักเธออย่างสุดใจ mm. เขาใช้ชีวิตอยู่เพื่อได้ยินเสียงหัวเราะของเธอและว่ายน้าเคียงข้างไปกับเธอเขาอยู่ได้ด้วยสิ่งนี้ แต่ชกชะตามีแผนอื่นเสมอแม่มดพบ ว, ว่าเจ้าหญิงรักทะเลสาบแห่งนี้เพียงใดดังนั้นเธอจึงไรยเวทมนต์ที่ทำให้ทะเลสาบเหือดแห้งไปในมิช้าทะเลสาบก็เริ่มตายลงอย่างช้าช้าและเจ้าหญิงเองก็เช่นเดียวกันลูกสาวของเราจะเป็นยังไงบ้าง ดูเหมือนชีวิตของเจ้าหญิงนั้นจะเชื่อมโยงกับทะเลสาบหากเราไม่สามารถฟื้นคือทะเลสาบได้เราคงช่วยชีวิตเจ้าหญิงไม่ได้เช่นกันวันหนึ่งเมื่อทะเลสาบใกล้เหือดแห้งลงที่ด้านล่างมีชาวเมืองสองคนพบแผ่นจารึกสีทองอยู่ใต้ก้อนหินก้อนหนึ่งมันสลักเอาไว้ว่า ถ้าหากอยากให้ทะเลสาบจะมีชีวิตยอยู่ต่อไปเพื่อผู้คนได้มันจะต้องสังเวยชีวิตของชายหนึ่งคนแต่ชายคนนั้นต้องเต็มใจที่จะยอมถวายชีวิตของเขาด้วยเขาต้องนั่งอยู่บนก้อนทะเลสาบจนกว่าน้ําจะท่วมขึ้นสูงไปเหนือหัวของเขาเมื่อราชาได้ยินดังนั้นเขาป่าประกาศไปทุกซอกทุกมุมของอาณาจักรแต่ก็ไม่มีใครออกมาเพื่อให้ชีวิตแก่ทะเลสาบเลยแม้แต่คนเดียว เมื่อเจ้าชายได้ยินประกาศจากราชาขณะที่อยู่ในป่าลึกเขารีบไปที่พระราชวังในทันทีฟาบาดข้าขอมอบชีวิตของข้าแด่ทะเลสาบแต่ข้ามีเงื่อนไขหนึ่งอย่างมันคือสิ่งใดข้าต้องการให้เจ้าหญิงอยู่ที่นั่นด้วยขณะที่ข้าจะตายเพื่อช่วยข้ารอดจนกว่าน้ำจะขึ้นสูงเหนือหัวของข้าข้าต้องการให้หนังมองดูข้า และมอบิสกิตให้กับข้านั่นจะทําให้ข้าไม่ตายจากความหิวโหวยก่อนที่ระดับน้ําจะสูงขึ้นเจ้าจะได้รับความปรารถนานั้นพระเจ้าการได้เห็นทะเลสาบที่นางรักมีน้ําอีกครั้งอาจจะช่วยลูกสาวข้าดีขึ้นก็ได้ดังนั้นเจ้าชายจะนั่งอยู่ที่ก้นทะเลสาบเจ้าหญิงนั่งอยู่ในเรือเธอมองไปที่เจ้าชายแต่ก็ไม่รู้สึกอะไรเพราะนางไม่มีความรู้สึกรักหรือความมีแม่ตาในหัวใจ เมื่อเจ้าชายนั่งลงระดับน้ำก็เริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆจนถึงเข่าของเขาเมื่อเรือลอยขึ้นเล็กน้อยเจ้าหญิงก็ดีใจอย่างมากเรือลอยขึ้นแล้วน้ำกาลังเพิ่มขึ้นทะเลสาบของฉันจะไม่แห้งขึนอีกแล้วพวกเราจะได้ไว่ายน้ำด้วยกันอีกครั้งเหมือนที่พวกเราเคยทำด้วยกันยังไงล่ะคงไม่มีอีกแล้วข้ายอยากว่ายน้ากับเจ้าเหนือสิงได แต่ข้าคงทำไม่ได้เพราะข้าต้องตายเพื่อทะเลสาบแห่งนี้จะได้มีชีวิตต่อเพื่อเจ้าจะได้มีชีวิตอยู่เป็นครั้งแรกในชีวิตของเธอที่มันกระแทกถึงหัวใจของเจ้าหญิงเธอไม่ต้องการให้เจ้าชายตายเธอเห็นระดับน้ําค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นถึงเอวของเจ้าชายมาที่ข้างของเขาแล้วจากนั้นก็ถึงจมูก แล้วก็ในขณะที่เจ้าชายเริ่มอ้าป่าเจ้าหญิงก็ไม่สามารถทนได้อีกต่อไปเธอพุ่งลงไปในแม่น้ำและช่วยเจ้าชายขึ้นมาเมื่อเธอพาเขามาถึงฝั่งเขาหยุดหายใจแล้วเจ้าหญิงตื่นครัวอย่างมากเธอได้ร้องไห้ออกมาอย่างหนักเกินกว่าที่ใครจะร้องไห้ออกมาได้หมอเข้ามาช่วยเจ้าชายและเจ้าหญิงขอให้เขาไปที่ห้องของเธอเจ้าหญิง รู้สึกไม่ดีเธอถูกพามาที่วังมันเป็นคืนที่น่ากังวลใจเป็นอย่างมากทั่วทางพระราชวังเช้าวันต่อมาเจ้าหญิงตื่นขึ้นเจ้าชายยังคงนอนนิ่งอยู่เธอเห็นเขาแล้วเริ่มหลั่งน้ำตาออกมาอีกครั้งโอเจ้าชายผู้กล้าหาญตื่นนะตื่นเอะนะได้โปรดอย่าตายเลยนะ สิ่งนี้ทำให้เจ้าชายลืมตาขึ้นแล้วยิ้มออกมาด้วยความสุขลน้นเจ้าหญิงลุกออกจากเตียงและกระเทืบเท้าอย่างดีใจแต่ที่เธอจะลอยขึ้นเธอกลับล้มลงแทนอ๋อเจ้าหญิงท่านไม่ลอยแล้วท่านลม้มลงใช่ข้าเห็นแล้วล่ะท่านได้แรงโน้มถ่วงกลับมาแล้ว มีความปลื้ปิติที่พระราชวังอย่างมากเกินกว่าที่โลกเคยมีมาก่อนทะเลสาบถูกเติมเต็มไปตลอดกาลเจ้าชายก็รู้สึกดีขึ้นและเจ้าหญิงก็ได้แรงโน้มถ่วงกลับมาเธอเริ่มหัดเดินแต่ไม่นานเธอก็ทำได้เจ้าชายและเจ้าหญิงรักกันอย่างสุดซึ้งเพราะเขาแต่งงานกันว่ายน้ำและเดินเคียงข้างกัน และปกป้องอาณาจักรของพวกเขาไปด้วยกันยังมีความสุขนิดนิราน